วันนี้ก็เป็นวันที่ยีสบห้าวันที่26เป็นวันพระใหญ่เป็นวันปวารณาออกพรรษาฝ่ายพระสงฆ์ก็ได้เตรียมพร้อมเอาไว้เหมือนกันองค์ไหนที่คําปวารณายังไม่คล่องก็พยายามเตรียมพร้อมให้คล่องครนะเพราะเราจะได้พูดองค์เดียวปวารณาปวารณาคล้ายๆกับอกบอกกล่าวการกระทําของตนเองเนะี่ยพระพุทธเจ้าหลวงพ่อว่าอ้ฉลาด สมเป็นบรมครูจริงๆนะคล้ายๆไม่ปกปิดความไม่ดีของตนเองเอาไว้เพราะความไม่ดีของตนเองเนี่ยเหมือนกับตาของเราเนี่ยขี้เหยื่อยักเหยื่อเข้าตาของเราเนี่ยฝุ่นเข้าตาของเราเนี่ยทำไมมันอยู่ใกล้าตาทำไมไม่ออกไปได้ยู่กตาทำไมไม่ออกเลยมันออกไปได้เพราะมันอยู่ใกล้เกินไปเหมือนนให้คนอื่นเอาออกให้คนอื่นเขาเห็นือนกันเขาเปิดตา้าไปเขาก็เห็น แต่เองตัวเองอยู่กับตาแท้ๆทำไมไม่เห็นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันความไม่ดีของตนเองบางสิ่งบางอย่างมันเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวมันมองไม่เห็นก็เลยพยองพองตัวขึ้นมาวพราะตัวเองถูกทั้งหมดเหมือนกันแตเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นว่ากิเลสตัวนี้ของมนุษย์เนี่ยมันซ่อนเล่นอยู่ในจิตใจของมวลมนุษยชาติเพราะนั้นอยากจะให้ มวลมนุษยชาติทั้งหลายแหลน่นี่ประวรณาตัวประวรณานะในถ้มกลางหมู่พวกเพื่อนถ้าว่าพระสงฆ์อย่างวัดของเราปีนี้สามสิบาองค์น่สามสิบสี่องค์ตั้งแต่หัวหน้าตั้งแต่หลวงพ่อเป็นต้นไปประวรณาใกล้ๆบอกกล่าวประวณาตัวในถ้มกลางสงฆ์หลวงพ่อกับนั่งกยงปนมือ พระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าก็ภาวณาในสงฆ์เหมือนกันในครั้งพุทธกาลนะแหมดวท่านบอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายสงฆ์ทั้งหลายเห็นเราตถาคตทําไม่ดีไม่เหมาะไม่สมไม่ควรอย่างไรขอท่านทั้งหลายจงอบอกกล่าวเราได้ภาษาเลวุฒินั่ง ป, งประโยงปนอ ม, มือโอ้พระพุทธองค์เป็นผู้บริสุทธิเ์เป็นสยามภูรู้แจ้งหมดทุกอย่างไม่มีใครที่จะ กล่าวเตือนพระพุทธองค์ได้พระพุทธองค์พร้อมอด้วยทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธองค์ก็บอกอบางทีอาจจะมีอาจจะมีกาดขาดตกบกพร่อง เ, อเพราะฉะนั้นเราจึงได้ประบอกกล่าวให้แก่ท่านเนี่ยมหาปลาดัดท่านกล่าวถึงอย่างนั้นเจากนั้นก็พระอาคลสาวกทั้งหลายประวรณากันมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเนนั่งประนมอวัน ปวารณาวันพุ่งนี่เมื่อพร้อมพระสงฆ์พร้อมแล้วกะหารหน้าข้หากันแกล่าวนโมสามจบนโมคือพวกข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระภูมิพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือกล่าวนโมสามจบพร้อมกันพอจากนั้นหลุงพ่อกับปวารณาในถ้ำกลางสงสั่งคำอวโุโสปวารีมิดิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวะ วัดดันตุมังอายตมันโตอนุกรรมปังอุปาดายะปัจจันโตปฏิกริสามิความแปลและความหมายในพระบาลีนั้นก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทําของผมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีลังเกียดใจคล้ายๆว่ากันแนวความคิดของผมเป็นมิจฉาทิฐิที่ว่าผมพูดออกไปหรือการกระทําออกไปแสดงออกไปเป็นมิจฉาทิฏฐิพวกท่านทั้งหลายเห็นขอให้พวกท่านทั้งหลาย ว่ากล่าวตักเตือนแนะนําผมได้ผมยินดีรับฟังถ้าว่าเห็นด้วยแล้วก็จะปฏิบัติตามถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายแนะนํามาผมยินดีรับฟังและจะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องอันนี้คือความหมายในในคำประวรนั้นหลวงพ่อว่าพระพุทธเจ้าท่านฉลาดจริงๆคล้ายๆบอกคนเรานะไม่ใช่มันจะถูกทุกอย่างก็ไม่ใช่ทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเองตัวเองเป็นพ่อก็ ลูกพูดอะไรผิดหมดผูเ้เป็นแม oh ่ก็เหมือนกันลูกทั้งหลายลูกหลานพูดอะไรผิดหมดออันนี้ไม่ใช่เป็นอย่างน so ั้นความผิดและความถูกไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดพอ่อแม่ทําผิดก็ผิดครูบาอาจารย์ทําผิดก็ผิด เ, เพราะความผิดความถูกนั้นไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดใครทําผิดผิดหมดถ้าใครทําถูกก็ถูกหมดนะเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างตัวเองอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่ ทะลุปูโป่งในแนวการคิดการพูดและการกระทําของตนเองเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ปรวารณาคําปรวารณามีความหมายว่าอย่างนี้นะเพราะนั้นถ้าไม่ใช่ปรวารณาแต่พระอย่างเดียวนะหลวงพ่อว่าสามีพันยาลูกเต้าปรวารณาต่อกันหลวงพ่อก็ใช้ได้เหมือนกันนะอบางทีพ่อนะ่งบางทีทะเลถลายไม่รู้จักตัวเองกินเหล้าหัวลาน้ําไม่รู้ใครจะบอกยังไง ยอมตัวลงสักหน่อยเออลูกเอ้ยเมียเอ้ยเดินทางบอกผมทําไม่ถูกบอกผมเลยนะท่าทางว่าตัวไหนที่มันไม่ดีบอกบอกผมด้วยเขาก็จะกล้า บ, บอกเราองนั้นแหละเหมือนกับเรา เ, เห็นขี้ผงอยู่ในตาของเราอย่างงั้นแหละถ้าากว่าถ้าเราไม่บอกเราเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่กล้าเหมือนกันเมื่อเราบอกให้เขาเขาก็จะกล้า บ, บอกเออพ่อเนี่ยทำอย่าง น, นั้น ชักจะเกินไปสักหน่อยนะพ่อนะผมว่านะเอถ้าหาว่าลดตอนนั้นลงสักหน่อยก็จะดีอย่าไปเล่นการปรนันอย่างเล่นบอลอย่างนี้ ล, นอนอน ล, ดลดลดสักหน่อยก็ดีว่างพอก็<ไ>คือการแนะนําแต่ว่าถึงยังไงก็ตามอันนี้ก็คือภพวินัยอีกเหมือนกันนะอถ้าว่าครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามากกว่าถึงท่านจะประพันธนาแล้วก็ตาม แต่สิทธิ์ที่เป็นสิทธิ์ที่รักเคารพนับถือท่านอก่อนที่จะว่ากล่าวตักเตือนท่านต้องอด้วยความเคารพประนมมือขึ้นแล้วก็ขอโอกาสจะกอดขอโอกาสงนั้นกระผมเห็นว่าที่ท่านอาจารย์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอยงั้นกระผมว่าเป็นยังไงกระผมดีไหมเรียกว่ามันเป็นยังไงจุดประสงค์เป็นยังไงกระผมจุดนั้น อ, อันนี้พอพูดเท่านั้นท่านก็รู้ได้แล้วเพราะว่าท่านเคยได้สํานึกได้ พบไปเห็นได้ผ่านมาแล้วมากต่อมากท่านก็เออใช่ในเรื่องนั้นอาจจะเป็นความผิดความบกพร่องของเราจุดหนึ่งนะต่อไปเราจะสำรวมระวังนะอันนี้ก็คือคณะสิทธ์เตือนครูบาอาจารย์จะไปเตือนแบบครูบาอาจารย์เตือนสิทธิ์ไม่ได้ครูบาอาจารย์เตือนสิทธ์ถ้าทำให้ถูกดุด่าว่ากก่าเพื่อจะให้สำนึกได้อันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่ทุกสิทธ์เตือน คููบาอาจารย์นี่ต้องมีเล่ดเดียมอันนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่จะเตือนลูกลูกจะเตือนพ่อแม่ลูกจะเตือนพ่อแม่ก็ต้องมีเล่ดเดียมต้องมีลักษณะด้วยความเคารพยำเกรงเตือนด้วยความหวังดีเตือนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ ค, คือหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านอบรมแนะนาสั่งสอนพวกเรา ทุกๆ ท, him, ท, า Driver, ท, ท, ท่านเพราะนั้นพวกเราจะนําไปใช้ในในที่ทุกสถานตลอดถึงบริษัทท่าร้านตลอดถึงสําหรับงานต่างๆที่ไหนก็ตามถ้าว่ามีการแนะนําหรือว่าฟังแนวความคิดนานาทัศน์นานาความเห็นในหมู่ในคณะนั้นก็จะเป็นผลดีเพราะว่าความคิดความเห็นมีหลากหลายแต่เว้นเสียจะออกนอกลู่นอกทางอันนั้นแล้วก็ ผู้เป็นหัวหน้าก็ต้องปรามมาไว้เหมือนกันนะพูดอะไรแบบไม่มีสัมมาคาระวะปรามไปเลยอันนั้นใช้ไม่ได้อันนั้นกิเลสกิเลสเข้ามาในวงการเหงนกันนะไม่มีผู้น้อยมีผู้ใหญ่พอเปิดโอกาสให้สักหน่อยนะก็โดดข้ามหัวข้ามหางไปเลยเพราะเองตัวเองเป็นผู้ใหญ่จึงจะรู้จักว่าเอออันนั้นคืออะไรอย่างที่หลวงพ่อได้ยินท่านดรท่านหนึ่งที่มานี่ เด็กทุกวันนี้โดยมากถ้าเป็นถ้าจะสอนถ้าจะสอนโดยมากจะไม่ค่อยฟังเนีเขาว่าเขามีความรู้มากกว่าเขาได้ศึกษามากกว่าเขาได้ศึกษาจากอินเตอร์น็อตอินเทอร์นเตนต็ตเรีววื่องหลักวิชาของเขาหนี่งเหนือกว่าครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์เตรียมไม่พร้อมที่จะมาสอนสอนเขาโดยมากเวลาครูบาอาจารย์สอนเนี่ยเขาจะหันหลังให้ว่างไม่สนใจบ้างเปลว่าความรู้หนึ่ง ه, เขาบอกว่าไม่ไม่เท่าเขาทุกทุกวันนี้ผมก็เลยพอเข้ามาผมก็บอกเขาเลยนะบอกว่าเอออาทิตย์นี้นะอาจารย์จะไม่สอนจะให้ลูกศิษย์สอนอาจารย์ให้เตรียมพร้อมนะให้เตรียมพร้อมคนนั้นคนนั้นให้สอนคนละสามสิบนาทีอาจารย์จะเป็นคนฟังแต่เด็กมาสอนอนนี้พอ ม, มาสอนก็มาแนละ้ว ตัวเองรู้ได้แหละท่นี่ตัวเองสอนยังไงแล้วคนอื่นเขาว่ายังไงท่านในขณะที่สอนพอีนสุดพอสอนเสร็จแล้วอาจารย์ก็สรุปให้ฟังเออนี่นะการสอนออกไปเป็นอย่างงี้นะที่สอนจบลงไปแล้วของพวกคุณนะเอา้าสอนต่อไปอีกอาจากนั้นต่อมาก็เลยํำนึกได้รู้ตัวว่างั้นนั่นแหละถ้าว่าไม่บอกอย่างนั้นไม่กล่าวอย่างนั้นมันลืมตัวได้ไง่ายๆเหมือนกันนะ พอที่ได้ยินแต่อาจารย์สอนอาจารย์พูดแต่ว่าพอตัวเองขึ้นมาพูดบ้างที่นี่จับไมค์ก็ไม่ถูกเหมือนกนแตไม่รู้ไม่รู้จะหันไมค์ไปทางไหนอีกต่างหากเหมือนกันไม่รู้จะพูดยังไงนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เวลาคนอื่นพูดเนี่ยชอบดูถูกคนอื่นไม่สนใจฟังแต่ตามไม่จริงการแนะนําสั่งสอนผู้ที่พูดก็ตั้งใจพยายามพูดให้ผู้ฟัง ใส่ใจแล้วมีนเป็นแนวความคิดเป็นแนวความคิดถึงจะไม่ทั้งหมดในคำพูดร้อยคำนั้นอาจจะมีคำพูดสักสิบคำนะสักสิบคำจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ได้ยินได้ฟังเพียงแค่นั้นหลวงพ่อก็ว่าคุ้มค่าแล้วเพราะเราไม่ได้จ้างท่านพูดเนี่ยท่านก็เห็นว่าผู้ที่เขามาศึกษาแต่ว่าทางรัฐบาลก็จ้างครูบาอาจารย์มาเพื่อสอนถ้าท่านไม่สอนก็ไม่ได้ทีนี้ ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ไปเลยก็ไปเห็นหน้านักเรียนเลยยิ้มใส่กันแลยก็ถอยหลังมันจะเกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมแหม่ก็เสียเงินของรัฐบาลอีกครูบาอาจารย์เขาจ้างมาสอนก็ต้องสอนผู้ที่นักเรียนทั้งหลายที่เขามาฟังก็ต้องตั้งใจฟังมีความคิดยังไงถ้าไม่เข้าใจหรือมีอะไรข้องใจก็ถามถามครูบาอาจารย์ถามท่านตอบได้ไหมแหม่ ตรงพอถ้าเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ต้องตอบได้ตามวิชาที่ตนเองได้เรียนมาฮะไม่ไม่ติดไม่คล่องหรอก <c oughs> พอป่านหมอลำสุกหมอลำสุกเคยเข้าไปบั่นตากหมอลำสุกอาอยุแก่เลยไปทำบุญอย่างพวกเรามาอย่างนี้แหละหมอลำสุกมันเป็นหมอลำเก่าแก่มันเป็นหมอลำเหมเอบอกว่าไพ่เสีถามมันยังก็ถามมาหลอดสันให้สุกติด ให้สุกติดซุกคุกซุกของเลยซุดซุกบวติดบวัของเลยยันจะสุกตอบว่ชถึกเดินแล้วมอลลําซุกกว่าเราไปเขาถามว่าใครจะถามอะไรก็ถามมาเลยอย่างนัะเออจะให้ติดสุกติดมอลลัมซุกทั้งติดทั้งคล่องตอบไม่ได้แล้วไม่มีเหมือนไม่มีทางเออกลัวจะสุกตอบไม่ถูกนั่นแหะอันนี้ก็เหมือนกันเน่ะเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เรียนเขาได้เรียนมาแล้วท่านได้เรียนมาแล้ว ในหลักวิชาดนั้นก็ต้องรู้รอบขอบเพียงแต่ว่าสิทธิอนุสิทธิ์ทนเองนเองจองหองพยองพองตัวผลที่สุดก็นั้นแหละถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วจึงจะสำนึกได้แต่บางคนก็สำนึกไม่ได้อีกต่างหากแล้วพอในอนุโมทนาให้พ้